หรือจะขึ้นวาผู้ทางสารนังคาามิมันต้องจบที่ตติยมปิสังคังสารนังคาามิปานาปับมันต้องจบที่สุราหรือถ้าขึ้นต้นอ่ะการียเมตตสูตรเนี่ยนะก็ขึ้นต้นโดวยว่กกุลบทผู้ฉลาดในประโยชน์แล้วจบลงที่ไม่ถึงความนอนในคันเอกโดยแท้และถ้าขึ้นเมตตสูตรก็สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจนถึง ตันเตสังมังคารมุตตะมันตินั่นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะถ้าขึ้นต้นตรงไหนจําตรงไหนก็จะจําได้จะสาธยายพระธรรมที่ไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเป็นคําสอนที่ประกาศพรหมจารย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเพราะฉะนั้นคนที่สวดมนต์บ่อยๆเนี่ยเท่ากับสมาทานเจริญสุตตะถ้าเราสมาทานทรงจําได้เท่าไหรเนี่ยนะ เราก็ช right ื there, mm ่อ hmm. ว right right ่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจได้เท่านั้นเรารู้ว่าเราเนี่ยใกล้ชิดหรือห่างเหินพระพุทธเจ้าก็ดูเนี่ยดูตรงเนี้ยดูจากว่าจิตของเราเนี่ยมีพระธรรมคําสอนอยู่ในใจบ้างไหมถ้าในใจของเราไม่มีพระธรรมคําสอนอยู่เลยก็แปลว่าเราห่างพระพุทธเจ้ามากเปรียบเหมือนว่าเราถ้าจําคําของพ่อแม่ไม่ได้ก็ชื่อว่าอยู่ห่างเหินพ่อแม่ฉันใดถ้าใจของเราไม่มีคําสอนอยู่ในใจเราก็ชื่อว่าห่างเหิน พระรัตนตรยัยถ้าห่างเหินพระรัตนตรัยนี่น่าสงสารขนาดไหนก็คือคนกัมพระดีๆนี่แหละเนี่ยนะอันเราก็มีหนึ่งถ้ามีหนึ่งสูตรอยู่ในใจก็เท่ากับมีพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์อยู่ที่ใจของเรามีพระธรรมคําสอนหนึ่งสูตรอยู่ในใจของเราถ้ามีจําได้สองสูตรก็มีพระพุทธเจ้าสององค์อยู่ที่ใจของเรา แล้วก็มีพระธรรมคำสอนได้สองสูตรเนี่ยนะก็ได้อย่างน้อยที่สุดมีสองพระธรรมขันอยู่ในใจแล้วล่ะดีไม่ดีอาจจะหลายธรรมขันในในบางสูตรเนี่ยนะเพราะฉะเราก็ได้ได้ทรงจําพระธรรมคำสอนพระพุทธคุณเท่ากับพระธรรมมขันหนึ่งธรรมมขันเท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ถ้าเราจําได้สิบธรรมขันก็พระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราเนี่ยสิองค์ละเนี่ยนะเพราะเราก็จะไม่ว่างเว้นจากพระพุทธคุณพระธรรมคุณจะไม่ว่างเว้นจาก คนของพระรัตนาวไตรแต่นี้สาธยายไม่ใช่สาธยายโชว์เนี่ยนะว่าฉันสวดดีที่สุดสวดเก่งที่สุดสวดเพาะที่สุดสวดมากที่สุดสมัยพุทธกาลเขามีพระสองรูปลูกศิษย์พระอนุนนท์กับลูกศิษย์พระอนุรุทธะว่าเอาโสดม์เรามาแข่งกันใครสวดได้เยอะกว่ากันอันดับหนึ่งใครสวดเพาะกันใครสวดดีกันมาแข่งกันก็แข่งกันสวดมัน พระมากัะสปะเนี่ยเห็นสังเวช ท, ท่านสังเวชสลดใจอย่างมากเลยเนี่ยนะแล้วก็กราบทูลเรื่องนี้พระให้พระพุทธเจ้าทราบพระองค์ก็เรียกมาแล้วก็ตําหนิว่าโมฆะบุรุษเนะนี่ยนะตำหนิแรงมากเลยในสูตร น, นะในกัะสปะสังยุตที่พูดถึงเหตุให้อ่าว่าทำไมสัตยธรรมจึงไม่เจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะเหตุผลหนึ่งก็เพราะมูวแต่แข่งกันในลักษณะนั้นแต่อย่าลืมว่าสวสดทุกครั้งศรัทธาเพิ่มขึ้นไหมเนีนะ คำว่าภาวนาอย่าลืมว่าภาวนาแปลว่าเพิ่มมูลค่าให้แก่คุณธรรมที่มีอยู่เช่นตัวมีคุณธรรมคือเมตตาอยู่แล้วเพิ่มมูลค่าให้เมตตาเติบโตยิ่งขึ้นเรียกว่าเจรภาวนาตัวเองเนี่ยมีศรัทธาอยู่แล้วแล้วเพิ่มศรัทธาให้เติบโตยิ่งขึ้นเรียกว่าภาวนาตัวเองเป็นคนที่มีความเพียรอยู่แล้วแล้วเพิ่มมูลค่าเพิ่มคุณค่าของความเพียรให้สูงขึ้น เรียกว่าภาวนาสติมีอยู่แล้วที่มันเล็กน้อยทําให้มันโตขึ้นเรียกว่าภาวนาสมาธิใจ iro, มันก็ตั้งมั่นระดับหนึ่งแต่ทาให้มันโตขึ้นก็เรียกว่าภาวนาไอความฉลาดปัญญาเนี่ยมันมีเล็กมีน้อยเนี่ยก็ทําให้มันโตขึ้นเลยเรียกว่าภาวนาชันใดกุศลจิตที่มันเกิดขึ้นนิดๆหน่อยๆก็ทําให้มันเกิดบ่ยบอยๆขึ้นที่เกิดบ่อยๆก็ทําให้ เติบโตขึ้นก็เรียกว่าภาวนาพันเราก็หมั่นให้กุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้เจริญขึ้นพันการสาธยายเราจะรู้ทั้งพระธรรมที่ไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดถ้าเราไม่สาธยายเราจะไม่รู้เลยว่าเบื้องต้นของการเจริญคุณธรรมของเราอยู่ที่ไหนท่ามกลางอยู่ที่ไหนที่สุดอยู่ที่ไหนอย่างเช่นเราบอกว่าเราชอบเมตตาสุตรชอบเจริญเมตตาเบื้องต้นของคนเจริญเมตตาเขามีอะไรเขามีศีลก่อน กุลบดผู้ฉลาดในประโยชน์อันนี้ปารถถึงเจตนารมก่อนว่าคุณต้องการอะไรกันแน่ปรารถนาประโยชน์ประโยชน์สูงสุดเป็นชื่อของนิพพานถ้าคุณต้องการนิพพานเนี่ยนะหรือผู้ฉลาดในประโยชน์คือรู้จักว่าอะไรเป็นข้อปฏิบัตดิดีอะไรเป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้เสื่อมอะไรเป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้เจริญปรารถนาเพื่อจะบรร ล, ลุสันตบทคือพระนิพพานกิจหลักภารากิจหลักในการปฏิบัติเพื่อให้บรร ล, ลุมรรคผลนิพพานคือบําเพ็ญไตรสิกขา ทีนี้คนที่เจริญไตรสิกขาคืออธิศีนอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยวิถีชีวิตเขาเป็นยังไงพฤติกรรมส่วนตัวเป็นยังไงความประพฤติส่วนตัวเป็นยังไงก็เป็นคนนะอะไรบ้างก็เราว่าปราถนาเพื่อจตัตตารสุชนตบทพึงมัมเพนไตรสิกขากรุบทนั้นพึงเป็นผู้อา่านานะเป็นผู้ตรงแล้วก็ซื่อตรง ว่าง่ายอ่อนโยนไม่เย่อหยิ่งสันโดษเลี้ยงง่ายมีกิจน้อยมีความประพฤติเบามีอินทรีย์อันสงบแล้วมีปัญญาเครื่องรักษาตนไม่ขนองไม่พัวพันในสกุลทั้งหลายและไม่ประพฤติทุจริตเล็กน้อยอะไรอะไรให้วินยูชนทั้งหลายเขาติเตียนได้ปราดทั้งหลายเขาทำหนิไม่ได้เลยเนี่ยนะคือคือแสดงว่าคนที่มีศีลเนี่ยนะเขาแคร์เหมือนกันนะ เขาให้คำสำคัญคำกับคำติติงของบัณฑิตไม่ได้แปลว่าไม่ต้องไปสนใจใครทั้งนั้นแหละว่าฉันก็เรื่องของฉันนัตถิโลกยานินที่โตในโลกนี้คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกมันพระพุทธเจ้าจะว่าเราว้างเขาจะไปไรไปอันนั้นมันก็เกินไปอีกนั่นแหละนะพวกนั้นก็เลยทงแต่นี้คำว่าเนี่ยก็คือ ใส่ใจว่าเออเนี่ยบัณฑิตท่านว่าอย่างไรในเรื่องนี้กรณีนี้ประหารท่านว่าอย่างไงพระพุทธเจ้าพระองค์แสดงไว้อย่างไรเราจะประพฤติปฏิบัติให้ครบถ้วนไพ่บูรณ์และบริบูรณ์ได้อย่างไรจะเห็นเลยว่าโอ้เบื้องต้นศี่และสิกขาพึงเจริญเมตตาไปในสัตว์ทั้งหลายว่าขอสัตว์ทั้งปวงพึงพึงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดไอ้ความที่มีเมตตาอย่างนั้นเนี่ยนะ ความที่มีเมตตาเจริญเมตตาไปเนี่ยแล้วเมตตาที่มีอยู่เจริญไปในรรสัตว์ระสาทเนี่ยขยายได้ยังไงนะก็บอกว่าสัตว์มีชีวิตเหลา่ลาใดเหล่าหนึ่งเป็นต้นเนี่ยอันนี้คือคือขยายอาณาเขตของเมตตาแล้วก็ข้ออุปมาของเมตาก็คือบอกว่ามารดาถน้อมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนแม้ด้วยการยอมสละชีวิตได้ฉันใด กบทผู้ฉลาดในประโยชน์พึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉั น, นั้นมันต้องมองเห็นทุกคนเป็นบุตรได้ทําไว้ในใจเธอว่าทุกคนคือลูกของเราถ้าคิดว่าเราจะมีเมตตาจริงๆคิดว่าจะมีเมตตาคิดว่าจะอยู่ด้วยเมตตาก็ต้องมองว่าทุกคนเป็นลูกทําไว้ในใจเธอว่างั้นเถอะสักวันหนึ่งสัตว์โลกทั้งโลกนี่จะคือลูกของเราทั้งหมดนัด่นนะ คิดว่ารักเหมือนกับลูกทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานเอา้าถ้าคิดว่าจะเป็นพรหมแล้วทําไมมาใจเล็กใจน้อยนะจิตใจครับแคบใจประซิวปลาส้อยไม่ได้เรื่องอรอกมันจะต้องเป็นใจที่ใหญ่โตจริงๆเลยแบบนั้นเถอะตอนแรกอาจจะ ย, ยังทําไม่ได้เนี่ยนะแต่ก็ต้องมีจินตนาการก่อนียดว่าอะไรนะมีใจน้อมไปก่อนฝันนะแต่ว่าไม่ใช่ฝันที่แบบเพิร์เจอร์นะฝันจริงแหละแบบนั้นฝันแบบตื่นๆนี่แหละฝันว่าทําได้และเป็นไปได้ แล้วก็เจริญเมตตาไปเนี่ยนะในทั่วทุกทิศเลยแหละเบื้องบนเ บ, นบนื้องต่ำเบื้องขวางไม่ครับแคบเป็นต้นจนในที่สุดก็บอกว่าวิปัสนาวิปัสนานั้นสําหรับเราไม่เข้าไปอาศัยทิฐิไม่เข้าใจผิดเลยว่าเมตตาคืออะไรมีองค์ประกอบของเมตตาคืออะไรอารมณ์ของเมตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นที่ตั้งแห่งเมตตาคืออะไร เข้าใจเลยว่าอาริยสัจคืออะไรเพรา ะ, ะ น, นชาติชรามรณะเป็นยังไงเหตุให้เกิดชรามรณะเป็นยังไงความดับชรามรณะเป็นยังไงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับชรามรณะเป็นอย่างไรเพรา ะ, ะนั้นไม่เข้าไปอาศัยทิฏฐิถึงพร้อมด้วยโสดาปฏิมักเนี่ยนะถึงพร้อมด้วยโสดาปฏิมักปฏิบัติภาคเพียรเนี่ยนะจนได้อนาคามิมักเกิดในพรหมโลกไม่ต้องกลับมาปฏิสนที่ในคันอีกต่อไปก็เราจะเห็นทั้งศีล น, น, นะ เห็นอัธยาศัยของตัวเลยว่าตัวนี่มีอัธยาศัยยังไงเปเบื้องแรกอัธยาศัยปรารถนาประโยชน์ปรารถนาบรรลุมรผลรู้เลยว่าบรรทัดแรกบอกเลยว่าเนี่ยง่ายๆว่าปราศคุณปรารถนาบรรลุมรผลนิพานใช่ไหมคุณต้องโหนฉลาดนะแล้วข้อปฏิบัติของคุณคือไตรสิกขาเาะฉั้นสรุปว่าคุณต้องตั้งอัธยาศัยให้มันชัดเจนแล้วเจริญไตรสิกขาคุณก็จะได้บรรลุพระนิพานอันนี้เค่บอกบทย่อ ย่อยๆเลยเหมือนกั น, นรู้กันภายในบรรทัดเดียวเนี่ยถ้ามีปัญญาขนาดนั้นฟังขนาดนั้นก็ปิ๊งได้แล้วเหมือนนแต่ถ้าว่าไม่พอล่ะไม่พอก็ต้องเจริญให้มันเยอะเริ่มต้นนับต่างกันนั้นแหละนะพึงเป็นผู้อานหนังเป็นผู้ตรงซื่อตรงคือว่าแจกแจงในรายละเอียดต่างๆแต่ถ้าแค่นี้ไม่พอก็บอกว่าโอ๊ยตรงซื่อตรงว่าง่ายยังไงชื่อว่าตรงเถินตรงหรือเปล่า ยังไงก็แน่ตรงเป็นต้นอันนี้ก็ต้องโน่นไปเรียนเรื่องสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นต้นั้นแต่ที่สําคัญก็บอกว่าต้องเป็นคนฉลาดไม่ใช่งูเลยเนี่ยนะคนที่ปรารถนาบรรลุมรรคผลนิพพานอย่าลืมว่าพระนิพพานที่สูงสุดคือประโยชน์อะไรมันเป็นประโยชน์ที่สูงสุดคนที่มองประโยชน์สูงสุดได้จะต้องเห็นประโยชน์เรียกว่าสมมติถ้าเป็นบันสูงเป็นหมื่นกิโลเนี่ยนะมันต้องมองออกว่าไอระหว่างชั้นต่ำๆๆๆลงมาเนี่ยคืออะไร จากบนลงล่างคืออะไรจากล่างขึ้นสู่บนนี่คืออะไรมีลําดับขั้นตอนอย่างไรเนี่ยนะเรียกว่ารู้ระดับความเจริญเติบโตขึ้นแห่งแห่งคุณธรรมทั้งหลายพันผู้ที่ปรารถนามรรคผลนิพพานแปลว่าสนใจประโยชน์ที่สูงสุดเมื่อประโยชน์สูงสุดแล้วประโยชน์โลกหน้านะ่ะถ้าถอยกลับมาอีกประโยชน์โลกหน้านะ่ะประโยชน์ชาติหน้าว่างั้นเถอะประโยชน์ชาติหน้าเรามีอะไรบ้างอ่ะแล้วประโยชน์ชาตินี้ลนะ่ะ ประโยชน์ภายในปีหนึ่งประโยชน์ภายใน2ปีประโยชน์ภายใน10ปีประโยชน์ภายใน20ปีประโยชน์จากนี้ไปหาตายว่างั้นเถะประโยชน์จากนี้ไปหาตายแล้วประโยชน์จากตายไปหาพบใหม่ต่อไปเนี่ยนะแล้วทางดําเนินเพื่อบรรลุมรคผลนิพพานเป็นอย่างไรอันนี้ต้องความเข้าใจต้องชัดเจนอย่างแน่นอนการสาธยายบ่อยๆนี่จะทําให้เราชัดเจนสูตรแล้วสูตรเล่าถ้ามีเวลาทบทวนถ้าไม่ได้สวดแบบมันเพลินตักปากที่เขาเรียกว่านกแก้วนกขุนทอง ยองเขามาเล่าบอกเขาไม่ใช่ชอบสวดมนต์อะไรปรนั้นเห็นทุกคนสวดเป็นนกแก้วนกขุนทองเขาไม่อยากเป็นนกแก้วนกขุนทองเขาเลยไม่สวดมันได้ยินเสียงสวดราคาญเขาวางันในปัญหาว่ามันก็มีที่สวดแบบนกแก้วนกขุนทองแล้วก็ไม่ว่ากันละแต่ถ้าเขาไม่สวดก็ดีกว่าไปเพอ้อเจ้ออย่างอื่นมางั้นเอถอะแต่ในโลกนี้คําที่น่าพูดทั้งหมดคำสวดมนต์นั่นแหละบทสวดน่าพูดที่สุดถ้าหากว่าจะพูดเนี่ยนะสมมติถ้าคนเจ็บคอแล้วสามารถพูดได้แค่3ามคำอะ ไอ้ผู้นั้นนะโมตสาภาวะาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะเถิดที่จริงเขามาก็เจ็บคอนะแต่ถามว่าทําไมเอาแต่ก็คุยเรื่องอื่นใครมาชวนคุยในรําคาญมากๆเลยเนี่ยนะไม่ชอบเลยเนี่ยนะบอกว่าฉันไม่ว่างขนาดนั้น เ, เสียดายคอสงสารคอเหมือนกันแต่ว่าถ้าเอาไว้มากล่าวธรรมนี่เอาเนี่ยนะเอาไว้มาพูดพระธรรมนี่เอาเพราะฉะนั้นถ้าธรรมดาก็ไม่ค่อยคุยกับใครอยู่แล้วถามว่าทําไมบอกโอ้รู้สึกว่า เก็บคอไว้พูดพระธรรมดีกว่าส่วนมนก็ดีกับส่วนมนอิติปิโสก็ได้อะไรก็ได้ที่มันที่มันเป็นประโยชน์ทั้งพบนี้และพบต่ อ, ต, อต่อไปถามว่าทําไมที่ไม่ค่อยเนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่ค่อยชวนเราเพื่อประโยชน์เลยเนี่ยเรื่องอะไรก็ไม่รู้คุยแล้วคนพูดก็ไม่ฉลาดคนฟังก็ไม่ฉลาดขึ้นประโยชน์โลกนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์โลกหน้าก็ไม่ได้ประโยชน์อย่างยิ่งก็ไม่ได้เนี่ยนะปัญหาสําคัญเนี่ยชรา ม, มรณะก็เหยียบหน้าผากทุกวนันทุกวันเนี่ยนะผมมันขาวขึ้นแล้วเนี่ยนะเขาบอก บอกอะไรนะพระโ พ, นะ พ, พธิสัตว์ท่านออกบวชท่านว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าบัดนี้ชรา ม, มรณะปรากฏแก่พ่อเลยว่าเั้นพยายามมัจจุราชมาเหยียบพ่อที่หน้าผากแล้วทําไมก็นี่ไงเกศามันหงอกว่าเ ง, งินนะว่าแค่นั้นนะเข า, เขาคือเขาเข้าใจ จ, จริงๆแล้วนะเขาก็ามองออกเขาอย่างถึงเลยว่ามันเหมือนกับว่าโรคคือคือสมมติว่าแบบแบบแบบใครโรคบางอย่างไหมถ้ารู้ถ้าตรวจเลือดปับ๊บถ้ารู้ว่าติดเชือ้อปับ๊บรู้เลยว่า เนี่ยนะถ้าดูแลดีก็จุติชาหน่อยถ้าดูแลไม่ดียังไงก็จุติโรคหลายๆโรคก็เหมือนกันเนี่ยนะก็คืออนาคตจุติอย่างแน่นอนจะแล้วโรคคือชะลาและมรณะมันรักษาไม่รอดจริงๆไม่มีใครรักษาสําเร็จแม้แต่คนเดียวประวัติศาสตร์โลกอันยืนยาวนานมาเป็นล้านปีตั้งหลายๆล้านปีมาแล้วเนี่ยนะตั้งแต่อดีตจบปัจจุบันบันทึกบ้างบันทึกบ่างไม่มีใครรอดแม้แต่คนเดียว น, นะนะโดยประวัติศาสตร์มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนี่ยนะแน่นอนเนี่ยนะก็ไม่มีการหลอกลวงตายหมด ต, ตั้งแต่กระจิตริตจนถึ ง, ถงใหญ่โตขนาดไหนในที่สุดก็ตายหมดพันเวลาที่เหลือจากนี้ไปตายเราควรทําอะไรกันนะนะก็คือพูดกันง่ายๆเลยบอกว่าตรงๆ ต, ต, ต, ตรงประเด็นที่สุดว่าจากนี้ไปตายเราควรใช้ชีวิตยังไงเราใช้ชีวิตเพื่อให้คนเขาชมเราใช่ไหมอูย้ยเก่งจริงเอาไว้แบบแะอะไรนะวิจิตบรรจงวันงานศพเนี่ยนะแต่งซะวิจิตพิสดารทุกคนมาชื่นชมเราต้องการตรงนั้นหรือเสร็จแล้วเราไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะ เราก็ไปไหนก็ไม่รู้ในพบใหม่ต่อไปพะะนันเราต้องต้องไม่ลืมว่าประโยชน์ของตนเนี่ยคืออะไรต้องคิดแบบถ้าใค ร, ใครอ่านชาดกเยอะๆต้องคิดบอกประโยชน์โลกนี้พ่อได้แล้วกา ม, มาสุขโลกนี้พ่อรู้จักแล้วหมายความว่าอาหารที่มันอร่อยอร่อยที่กินกันมันก็มีอยู่เท่านี้แล้วมันจะมีอะไรวิจิตพิสดารขนาดนี้มันอร่อยก็สายอะไรก็เครื่องเทศมันก็อย่างที่เรารู้จักกันเนี่ยนะเนี่ยนะ เครื่องเทศทั้งหลายมันก็มีให้เห็นๆกันอยู่ในท้องตลาดทั่วไปมันก็มีเท่านี้แหละอาจจะคนมีฝีมือหน่อยปรุงก็เลยว่ามันอร่อยเหลือกเกินเนี่ยนะแค่นั้นแหละทีนี้ต่อไปแล้วสีที่มันสวยๆในโลกมันจะมีกี่สีที่มันวิจิตรพิสดารที่แม้ถ้าไม่ได้เห็นพลาดโอกาสในการเห็นเสียหายมากเลยเนี่ยนะมีอีกไหมมีเสียงไหนที่มันวิเศษถึงขนาดเรียกว่า พิเศษจริงๆเนี่ยนะหรือกลิ่นอันไหนที่มันพิเศษจริงๆรสอะไรหรือสัมผัสชนิดไหนที่มันสุดยอดความพิเศษที่ขาดไม่ได้มันก็มีเท่านี้แหละสรุปก็บอกว่าการมคุลอันเป็นของมนุษย์เราก็ได้แล้วทีนี้เป็นถึงสมัยที่จะต้องแสวงหาการมคุลอันเป็นของทิพย์เนี่ยนะฉม่ต้อแล้วเหตุที่ทําให้ไปสู่ทิพพยสถานเนี่ยนะทิพยสถานเนี่ยข้อปฏิบัติเพื่อสู่ทิพยสถานคืออะไร บอกว่าที่ภรสถานรวมทั้งพรหมสถานด้วยทีนี้เจตพุทธทำเพื่อพรหมสถานได้อย่างไรทีนี้ถามว่าถ้าเอาสูงสุดเลยเพื่ออมตะสถานคืออะไรก็ว่ามาแบ่งเลยวันนี้มนุษย์สมบัติเป็นอย่างนี้นะนี้สวรรค์สมบัติเป็นอย่างนี้นี่นิพานสมบัติเป็นอย่างนี้นี้ข้อปฏิบัติเพื่อมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพานสมบัติก็ถือว่าเป็นคนที่มองไกลมากแต่เขามีหลักการว่าคนที่เดินขึ้นเขาลงเขาเนี่ย ถ้าเดินขึ้นเขาหลงเขาเนี่ยหลักการในการเดินทำยังไงมองสูงเข้าไว้ตกเหวตายมองต่ำอย่างเดียวหลงทางทำงไงดีใครเดินป่าเยอะๆเนี่ยเข้าใจเลยครับเนี่ย น, นะถ้าคุณแบบเดินดุมดุมดุมดุ ม, ดมระวังแต่เหยียบทายเหยียบพลาดนะคุณหลงทางนะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ถ้าหากว่ามัวแต่ชะเง้อดูโ น, น่นดูนี่ตกเขาตายอีกนั่นแหละ เพราะว่าไอ้ที่เหยียบเนี่ยมันมั่นขนาดไหนชันใดสังสารวัตรการเดินทางในวัฏฏะของเราก็พร้อมที่จะพลาดพร้อมที่จะหลงพร้อมที่จะพลาดแล้วก็ตกต่ำแล้วก็พร้อมที่จะหลงเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นคนที่เล็งทั้งประโยชน์โลกนี้ประโยชน์วันนี้ประโยชน์วันนี้คืออะไรประโยชน์พรุ่งนี้คืออะไรประโยชน์สัปดาห์นี้คืออะไรประโยชน์เดือนนี้ทั้งหมดคืออะไรประโยชน์ปีนี้ทั้งหมดคืออะไรประโยชน์ชาตินี้ทั้งหมดเนี่ยคืออะไรต้องฝึกแบ่งละฝึกมาคิดแล้วก็ว่าเป็นอะไรนะเปรียบเหมือนกับผู้ฉลาดในการเงินเนี่ย เขาเขาเอาเรื่องการเงินเนี่ยมาคิดแล้วเขามีทั้งหมดอยู่เท่าไหรเอาลงทุนส่วนนี้เท่าไหร่มีที่มาที่ไปยังไงจับจ่ายใช้สอยยังไงเขามองออกทั้งหมดเลยนะเขาจึงมีเงินใช้คนที่มีชีวิตใช้ชีวิตอย่างอย่างไม่ผิดพลาดก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะมองชีวิตเรียกว่าแบ่งวันแล้วเหลือชีวิตของเราตกลงเหลือกี่วันเอาแบบใหญ่สุดเลยเหลือกี่ปีนะขยายออกมาเหลือกี่เดือนนับจํานวนเดือนดูเหลือกี่เดือนแล้วก็ หารลงไปอีกเหลือโดยวันเหลือกี่วันถ้าคํานวณเป็นชั่วโมงอีกเหลือกี่ชั่วโมงคํานวณเป็นนาทีแล้วกี่นาทีถ้าคํานวณเป็นวินาทีซึ่งมันตัวเลขมันวิ่งวิ่งเร็วมากเลยเนี่ยนะมันวิ่งแบบชนิดที่เราว่าพอมาเป็นวินาทีแล้วมันวิ่งแบบแหมมันปั่นเลยจริงๆเนี่ยนะเหลือกี่วินาทีมันปั่นเร็วขนาดนี้นะเราจะรู้ตั้งแต่หน่วยย่อยวินาทีหรือว่าเล็กกว่าวินาทีอีกแล้วมาหาวินาทีมหานาทีมหาชั่วโมงมหา ในรอบหลายๆชั่วโมงมหารอบวันรอบสัปดาห์รอบเดือนแล้วก็รอบปีแล้วก็รอบหลายๆปีเนี่ยก็มุนจะรู้ว่าชีวิตนี่มันแหมมันเร็วจริงๆเนี่ยนะมันเร็วมากเลยเมื่อมันเร็วมากขนาดนี้แล้วเนี่ยก็เปรียบเหมือนว่าถ้าเป็นรถก็บะน้ํามันเหลือไม่มากขับไปไหนดี